พี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่487คดีพระเยซูครั้งที่สี่ในเช้าวันนี้เราจะมาพูดถึงชายที่ชื่อว่าปีลาตซึ่งชื่อเต็มของเขาก็คือฟอนเทียสปีลาตฟอนเทียสปีลาตคนนี้เป็นนักปกครองเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นผู้ว่าการ เมืองยูเดียที่มาจากโรมครับอายุราชการหรือเวลาที่เขาทำงานก็คือประมาณสิบปีครับก็คือคิเตศกราลที่ยี่สิบหกจนถึงคิเตศกาลที่สามสิบหกและเขารับราชการถวายกรรษัตริย์ซีซ้าที่ชื่อว่าเอ็มเปอเรอร์ทิเบเรียสก็คือจักรพรรดิทิเบเรียสเขานั้น เป็นคนที่เราทั้งหลายรู้จักและถูกบันทึกชื่ออยู่ในพระคัมภีร์เป็นคนที่พิพากษาให้พระเยซูนั้นถึงแก่ความตายคือลงโทษด้วยการตานชีวิตบนไม้กางเขนนั่นเองถ้าเราพูดนอกเหนือกิตติคุณทั้งสี่เล่มนะครับเราเห็นว่าพรติอัสปีลาดมีประวัติมากกว่านี้ คอนทียสปีลาเน้นถูกกล่าวถึงหรือถูกอ้างอิงโดยแท็ i ซ u s ุ h ฟ l โลหรือโจ e p ฟั s ซึ่งคนเหล่านี้ครับเป็นนักประวัติศาสตร์ในยุคต่อๆมามีการค้นพบศิลาของปีลาครับในปีหนึ่งเก้าหกหนึ่งและศิลาของปีลานี้ก็สามารถ เทสแบกหรือคำนวณย้อนหลังกลับไปมีอายุอยู่ในราวคอสอที่สามสิบเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นของจริงไม่เพียงแต่เท่านั้นศิลาจารึกของพันทิอัสปิลาศก็ได้พูดถึงว่าเขานั้นเป็นคนที่เป็นคนที่คบถ้วนเป็นเป็นผู้ว่าการ โรมที่ดีเพอร์เฟมากของแคว้นยูเดียนั่นเองปิล่านั่นก็ยังถูกอ้างอิงอยู่ในหนังสือคล้ายพระกัมพีที่บันทึกมาซึ่งเขียนอยู่ในสมัยหลังๆแล้วเขาเรียกว่าหนังสืออพกิฟาคือหนังสือซ่อนเร้นหรือเขาเรียกว่าอธิกรรมนั่นเองพี่ังครับกลับมาดูในพระกัมพีพอนทิอัสพิล่านั้น ได้ถูกอ้างอิงถูกกล่าวถึงตอนที่เขากำลังสอบสวนพระเยซูในคดีของพระเยซูและเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ภาคสาลงโทษพระเยซูให้ถึงแก่ความตายประหารชีวิตโดยใช้ไม้กางเขนซึ่งเป็นระบบการประหารชีวิตแบบโรมเราคงทราบนะครับว่าถ้ายิวจะประหารชีวิตเขาต้องเอาหินขว้างให้ตายครับ แต่เขาไม่สามารถที่จะจับใครตึงพระเยซูได้เพราะว่าอันนี้เป็นกฎหมายของโรมเพราะฉะนั้นเขาต้องยืมมือปิลาดครับเพื่อที่จะตึงพระเยซูที่กังเขนและถามว่าเขาเอาหินขว้างได้ไหมก็น่าจะได้อยู่ครับแต่มันไม่ถูกกฎหมายพี่น้องครับเราคิดถึงใครที่พวกเขาเอาหินขวางตายในสมัยต่อมาก็คือสเตเฟนเองสเตฟาโนหรือสเตเฟนนะครับเป็นคนที่ถูกพวกเขา เอาหินคว้างให้ตายแทย้จริงแล้วทำไม่ได้นะครับแต่เพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นโกราหลนและตอนนั้นอาจจะมีความหย่อนยานของการปกครองของโรมอย่างไรก็ตามครับเมื่อเรากลับมาดูคดีของพระเยซูเราพบว่าพวกเขานั้นต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะแท้จริงแล้วเขากลัวครับกลัวพวกสาวกของพระเยซูซึ่งมีอยู่นะครับ อาจจะนับพันคนก็ได้ที่จะก่อวอดและประท้วงธรรมจาร์ประท้วงฟอริสีปวดเทิงพวกปูโรหิต ด, ด้วยเหตุนี้เองทำให้พวกเขานั้นต้องยืมมีดฆ่าคนครับยืมยืมบิลาศนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการโรมที่มาว่าการที่แคว้นยูเดือใหญ่ที่สุดแล้วฆ่าใครครับฆ่าพระเยซูด้วยวิธีการประหารของชาวโรมที่โหดเหี้ยมที่สุด คือการตึงกังเขนการตึงกังเขนตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะตึงพวกอัชญากรสำคัญครับอัชญากรรมไร้แรงนะครับแต่การตัดสินปัญหาของคดีพระเยซูของปีลานั้นเราจะเห็นสิ่งที่น่าสังเกตอยู่หลายประการครับพระกำกับทีทั้งสามเล่มก็คือผู้กำกีพพ้องมัตชิวมาลโก ร, รูการนั้นก็ได้บันทึก บันทึกถึงปีลาศนะครับจริงๆแล้วเขาไม่อยากตึงพระเยซูหลายหายครั้งทีเดียวก็พูดอย่างนี้ครับว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในพระธรรมยอห์นก็กล่าวถึงตั้งสามครั้งเลยครับเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิด ลายแรงที่ต้องโทษถึงตายในลูกาบทที่ยี่สิบสามข้ยิบสองชัดเจนครับในมัทธิวบทที่ยี่สิบเจ็ดข้อสิบเก้าปีลาก ร, รู้ชรับว่าชายที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาที่เรียกว่าพระเยซูนั้นเป็นคนที่ไม่มีความผิดเป็นอินโนเซนต์แมนไม่มีความผิดนะครับและปรรยาของปีลาตเองนั้น ก็ยังเตือนเขาเพราะฉะนั้นปีลานั้นเผชิญกับสองอย่างครับรเผชิญกับกจิตสํานึกอันชอบธรรมของเขาที่พบว่าพระเยซูไม่มีความผิดปีลาสเผชิญกับความฝันของภรรยาของเขาที่มาเตือนเขาว่าคนคนนี้เป็นคนบริสุทธิ์นะอย่าไปทําอะไรเขาเลยพี่น้องครับปีลาสเองนั้นในที่สุด ก็แพ้ภัยตัวเองเพราะว่าเขาเลือกทางที่จะคอม promis ์เลือกทางที่จะประเทมนอมเลือกทางที่จะรักษาตำแหน่งของตัวเองให้อยู่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ครับว่าพระเยซูนั้นไม่มีความผิดใดๆแต่พวกเขาแต่วิลาาก็ยังหยิบยื่นนะครับ hand over หยิบยื่นพระเยซูปไปให้อยู่ในการตัดสิน นะครับการตัดสินของบรรดาผู้นำศาสนาอยู่พระเยซูก็เลยกลายเป็นอัชญรกรครับและวปีร่าก็พยายามช่วยพระเยซูอีกครั้งหนึ่งให้พวกเขาเลือกระหว่างพระเยซูกับอัชญรกรอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบ า, บาราบัสเขาจะเลือกใครปรากฏว่าประชาชนกับพวกธรรมจาร พวกฝูงชนที่บ้าคลั่งอยู่นั้นฝูงชนที่บ้าคลั่งที่เคยร้องโหชนาโหชนากลับบอกพร้อมๆกันว่าให้ตรึงพระเยซูที่กังเขนเขาเลือกที่จะให้บาลบัสมีชีวิตอยู่และเลือกที่ให้พระเยซูตายพี่น้องครับสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับพระเยซูแต่ในที่สุดพระเจ้าบันดาลให้กลายเป็นสิ่งดีเพราะว่าพระเยซูเมื่อพระองค์รับแบบ แบกทุกยากแบกความทุกขของเราเนื่องจากความบาปของเราบนไม้แหงเขนเพื่อเราพระองค์ก็ทําให้แผนการช่วยให้รอดของพระเจ้าพระบิดาสําเร็จเสร็จสิ้นลงครับและในที่สุดบนไม้แหงเขนพระเยซูจัดว่าสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วคือแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าสรงพระเยซูลงมาแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยกู้ตั้งแต่อาดัมนะครับ คนแรกไปจนถึงคนสุดท้ายสำเร็จแล้วพี่น้องครับคอนเทียสปีลาดนี้เป็นคนที่น่าสงสารครับพระอภิษฐรรมบันทึกถึงความน่าสงสารแล้วเป็นข่าวร้ายไม่ใช่ข่าวดีเป็นเรื่องร้ายครับเพราะว่าเขานั้นเพิกเฉยต่อจิตสานึกของเขาเขาเพิกเฉยต่อจิตสำนึกของเขา เขาทําในสิ่งตรงข้ามกับจิตสำนึกของเขาแม้ว่าจิตสำนึกของเขานั้นจะดีแม้ว่าเขาไม่พบความผิดในตัวของพระเยซูเลยประการที่สองก็คือว่าเขานั้นได้เพิกเฉยต่อคําแนะนําที่ดีของภรรยาของเขาเองเขาเลือกที่จะดําเนินชีวิตแล ะ, จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในชีวิตเช่นทางการเมืองของเขาโดยการเอาใจพวกอยิวและ ปฏิเสธความจริงที่ยืนอยู่ตรงหน้าพระเยซูปเป็นความจริงเป็นทางนั้นปิลาตเองนั้นขวนที่จะได้รับเชื่อในพระเยซูแต่เขากลับปฏิเสธความจริงแล้วความจริงไปตึงกังเขนเสียนี่คือโอกาสของความรอดที่หลุดลอยไปครับหลุดลอยไปเวลาที่เขาพบกับพระเยซูดังนั้นเองเป็นได้หน้าเสียดายเสียใจนะครับว่า คนที่พบกับพระเยซูแล้วคุยกับพระเยซูแล้วจิตสำนึกของเขาบอกว่าพระเยซูเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่เขาต้องการรักษาตำแหน่งรักษาหน้าตารักษาถานภาคของเขาทำให้เขาทำบาปที่ยิ่งใหญ่คือพิพากษาให้นาพระเยซูไปตึงเสียที่กลางเขนขอให้เจ้าช่วยเรานะครับ ในการที่เราจะไม่เป็นแบบปิลาศหลายคนปฏิบัตหนอมความเชื่อหลายคนละทิ้งความเชื่อเพื่อให้รับการโปรโมตขึ้นไปในตำแหน่งสูงหลายคนก็ปฏิเสธพระเยซูเมื่อได้เงินได้ชองได้อำนาจได้ชื่อเสียงเขาเอาพระเยซูไว้ข้างๆครับเขาปฏิเสธพระเยซูเขาปฏิษษเสธความจรงิงปฏิเสธมโนธรรมของเขาจิตสำนึกของเขา ปฏิเสธคนรอบข้างที่รักเขาเพื่อที่เขาจะได้มาซึ่งเกียรติยศชะงาราศีของตัวเองขอพระเจ้าช่วยเราและขอพระเจ้าเมตตาด้วยอาเมน